มิลินทาปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทาปัญหาเมนดกะปัญหาปฐมวัชสัทธรรมอันตรธานะปัญหาที่เจ็ดถามว่าที่ตรัสว่าสัทธรรมจะตั้งอยู่5้าพันปีเหตุไราภายหลังตรัสว่าผู้ปฏิบัติมีอยู่ตราบใด โลกไม่สูญจากพระอรหันต์ตราบนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาโยมนี้คิดไปให้วิมติสงสัยนักหนาด้วยสมเด็จพระบรมนายกโลกกนาดมีพระพุทธดีกาตรัสไว้แก่พระอานนท์ว่าดูกละอานน์พระสัทธธรรมของตถาคต จะตั้งอยู่นานประมาณกำหนด5้าพันปีพระพุทธองค์ตรัสเป็นคำขาดครันหมาเมื่อจะใกล้ดับขันเข้าสู่พระมหาปรินิพานนั้นสมเด็จพระสัพพันยูเจ้ามีพระพุทธดีกาตรัสกับสุพัทธะปริภาชกว่าดูกะระสุพัทธะแม้ว่าภิกษุอันเป็นโอรสของตถาคตนี้มีศรัทธาปรนิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติอยู่ได้ตราบใด โลกจะได้ศูนย์จากพระอ ร, ะหรหันหามิได้นี่แหละมีพระพุทธดีกาประทานไว้เป็นคำสองะนี้โยมหารู้ที่จะกำหนดคำไหนให้แน่ลงได้ไหมครั้นจะเชื่อเอาคำเดิมที่ตรัสว่าพระสัทธรรมของตถาคตจะตั้งอยู่กำหนดทวน 5,000 ปีนั้นเล่าคำที่พระพุทธองค์เจ้าตรัสว่าถ้าพระภิกษุมีความอุตสาหะปรนิบัต เป็นสัมมาปฏิบัติอยู่ตราบใดโลกไม่เปล่าจากพระอระหันต์ก็จะผิดครั้นจะเชื่อเอาคำภายหลังก็จะผิด ก, กันกับคำเดิมที่โปรดไว้โยมคิดไปก็สงสัยนักหนาปัญหานี้เป็นอุปโตโกติมาถึงแก่พระผู้เป็นเจ้าแล้วพระผู้เป็นเจ้าจงโปรดวิสัชนาให้โยมสิ้นสงสัยในการบัดนี้ พระนาคเษนจึงมีเถระวาจาวิสัชนาว่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารพัควาสมเด็จบรมโลกกานธาศาสตราจารย์มีพระพุทธดีกาตรัสว่าพระสัษธรรมจะตั้งมั่นอยู่ห้าพันพระวัสสาครันมาเมื่อวันจะเข้าพระมหาปรินิพานตรัสว่าพระภิกษุในพระพุทธศาสนา อุตสาหะปรนิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติอยู่ตราบใดโลกก็ไม่ขาดจากพระอระหันต์นี่แหละพระพุทธฎีกาจะเป็นอัดอันเดียวกันมีเนื้อความเนื่องเป็นเรื่องเดียวกันหาบ่ไม่ได้นานาอัดถังมีอัดเนื้อความต่างกันนานาพยัญชนะมีพยัญชนะต่างกันอยังศาสนาปริเฉโทที่ว่าด้วยกําหนดพระาศาสนาว่า จะตั้งมั่นไปได้ประมาณเท่านั้นก็มีอายังปฏิปฏิปริธีปนาที่ว่าด้วยสามารถปฏิบัติก็มีพระพุทธดีกาทั้งสองนี้เป็นทูระวิวัชิตาเว้นว่างไกลกันนักหนาเปรียบปานดุดดินกับอากาศดุดวิมานเมืองสวรรค์กับชั้นนรกตกว่าไกลกว่าไกลต่อกันดุดสุขกับทุกข์อันต่างกัน และดุดบาปกับบุญคุณกับโทษต่างกันนักหนามหาราชะดุราณะบพิษพระราชสมภารซึ่งมีพระราชองค์การถามจะห้ามให้สูญไปก็ใช่ที่เหตุชะนี้อัตมาจะเปรียบเทียบให้เห็นแล้วจะแสดงให้แจ้งประจักษ์ต่อไปขอถวายพระพรสมเด็จพระบรมโลกุตมาจารย์เมื่อทรงกำหนดความเสื่อมสิ้นแห่งพระสัรธรรม พระองค์ตรัสกำหนดเขตไม่มีส่วนเหลือว่าอานันทะดูกระสำแดงอานนท์ถ้าพิกุณีไม่บวชพระัิธรรพึงตั้งอยู่ได้หลายพันปีนักหนาการนี้พระัิธรรมจะตั้งอยู่ได้เพียงห0 0พันปีเท่านั้นพระตถาคตเจ้ามีพระพุทธฎีกาตรัสไว้ดังนี้บพิษพระราชสมภารจะเข้าพระไทยอย่างไรจะว่าพระผู้มีพระภาคตรัสถึงเวลาเสริมพระัธร หรือว่าทรงห้ามอภิสมัยการตรัสรู้มรรคผลสมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ตรัสว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคจะได้ตรัสห้ามปรามการตรัสรู้มรรคผลหาไม่ได้พระองค์ทรงหมายถึงพระศธรรมจะเสื่อมไปพระนาคเสนจึงถวายพระพรว่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระผู้มีพระภาค เมื่อทรงแสดงพระาศาสนาส่วนที่สิ้นไปและส่วนที่ยังเหลือเสมือนบุรุษผู้มีทรัพย์สินหายไปแต่ยังมีส่วนเหลืออยู่จะบอกให้เขารู้จึงจับทรัพย์ทั้งหลายที่เหลืออยู่เชิดชูให้เขาดูบอกให้รู้ว่าหายไปเท่านั้นยังเหลือเท่านั้นฉันใดก็ดีสมเด็จพระบรมไตรโลกกนราชาสดาจารเจ้า นัดถังาศาสนบริกิตยันโตเมื่อจะทรงแสดงพระาศาสนาอันจะสิ้นไปจะเหลืออยู่ต่อไปให้แจ้งแก่เทพามนุษย์ทั้งหลายจึงมีพระพุทธดีการตรัสว่าอานันทะดูก่อนสำแดงอานน์พระศัทธรรมจะตั้งมั่นอยู่ทั่วห้าพัน 5, พระวัสสาแล้วมีพระพุทธดีการตรัสเมื่อพระองค์เจ้าจะเข้าสู่พระมหาปรินิพาน แสุพัทธาปริพาชกอีกล่าวว่าดูกระสุพัทธาถ้าบุคคลตั้งใจปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติคืออุตสาหะกรริญเมตตาภาวนาอยู่ตราบได้แล้วพระอรหันต์ก็ไม่ขาดจากโลกตราบนั้นพระพุทธดีกาทั้งสองนี้ต่างกันไม่เหมือนกันที่พระพุทธดีกาตรัสว่าพระสัทธรรมจะตั้งมั่นไปทั่วห้าพัน 5, พระวัสานั้น ด้วยจะ ก, กำหนดจะให้รู้ว่าพระไตรปิฎกจะตั้งมั่นไปทั่วห้าพัน 5, วัตสาเป็นศาสนบริเชษอันหนึ่งและพระพุทธดีกาตรัสว่าพระโยคาวจรบุคคลทั้งปวงยังอุตสาหะปรนิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติคือจำเริญภาวนาเป็นปุพภพ า, ภาคเขาหมูลที่จะให้ได้พระนวโลกุตรธรรมตราบใดพระอระหันต์ก็ไม่ขาดจากโลกตราบนั้น สมเด็จพระสัพพันยู่เจ้าตรัสโดยปฏิบัติปริเชตกำหนดข้างปรนิบัติวิปัสนาธุระเป็นศาสนาปริเชตอย่างหนึ่งนี่แหละบพิษพระราชสมภารเก็บเอาพระพุทธดีกากำหนดกฎหมายสองสถานนี้มากระทาเคลือบครุมให้เป็นสถานเดียวรถอันเดียวกันชะนี้ผิแล้วว่า มีพระไทยจะถามเนื้อความให้เคลือบคลุมเป็นอันเดียวเช่นนี้อัตมาจะชี้ออกให้แจ้งอาวิจาระมานาโสบอพิษพระราชสมภารเจ้าอย่าเบื่อนายอัตมาจะวิสัชนาถวายโดยปริยายให้บอพิษทรงสดับต่อไปอีกมหาราชขอถวายพระพรเปรียบานประดุดดังสะใหญ่อันหนึ่งลึกสุขุมภาคพื้นราบ มีตาน้ำไหลมาได้น้ำก็ละเอียดไสสะอาดจะรู้ขาดจากสะนั้นหาไม่ได้ใช่แต่เท่านั้นมหาเมฆบันดาลประวัตินาการโกลงมาอป ร, ราปรังหลายครั้งหลายคราผาราน้ำฝนก็ไม่ขาดสายตกว่ากระแสสินที่สะนั้นจะแห้งหายไป สะใหญ่จะคาจากอุทธกังเหมือนหน้าฤดูขิมหันมาหรือประการใดราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ว่าสะนั้นจะได้เปล่าจากอุทากังหามิได้เหตุว่าสายฝนบันดาลไม่ขาดทาราพระนากเกษซนถวายพระพรว่ามหาราชาดูรานะบพิษผู้ประเสริฐจะเปรียบอุปมาฉันใดสัทธรมะตลากัง อันว่าสะใหญ่คือพระสัทธธรรมชินะสาสนังเป็นคำสั่งสอนของสมเด็จมุนีวรพิชิตตมานอันบริบูรณ์ด้วยน้ำไม่ไหลอยู่สำราญคืออาจารวัตปฏิบัติอันภัยบู์ที่มีพระพุทธดีกาตรัดบัรทูลทรงอนุกูลโปรดประทานไว้มหาราชขอถวายพระพรเมื่อพระพุทธชิโนรถในพระบวรพุทธศาสนา และสัมเนนอุบาสกอุบาสิกามีอุสาหะปรนิบัติรักษาจจตุปาริสุทธิ์ที่ศีลให้บริบูรณ์จำเริญคันธุระวิปัสสนาธุระเนืองๆ เ, เล่าเรียนต่อไปและบำเพ็ญทานน้อยใหญ่ตั้งอยู่ในศีลห้าเป็นนิสถิตในศีลแปดเป็นอุโบสถศีลเป็นอดิเรกเล่งสดับฟังพระสธรรมเทศนาไป ภูกใจที่จะรำพึงถึงพระอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ประมาทที่จะกฤิศดาพิณิหารมีอุสาหะไปทุกตัวคนอุปมาเหมือนหาฝนหาน้อยหาใหญ่ตกลงในสะอันกล่าวคือพระศิธรรมคําสั่งสอนของพระชินสีเหตุฉนี้ชินาศาสนงคาสั่งสอนของพระชินสี ก็จะทิติการตั้งมั่นไปช้านานเป็นเนิรันดอนก็จะสำเร็จพระอรหันต์หนึ่งเนืองติดกันไปโลโกอสุญญูพเวยะโลกก็จะไม่สูญเสื่อไปเร็วพลันอรหันเตหิจากพระอรหันต์ทั้งหลายอีมังอัตถังสันทายะนี่แหละสมเด็จพระชินเนนทรอนทรงพระดำริเห็นความเชนี้ภาสิตังจึงมีพระพุทธดีกาตรัสว่า ดุกระสุพัทธะภิกษุพุทธชิโนรสของตถาคตนี้แม้มีอุตสาหะปรนิบัติเป็นสัมมารปรนิบัติได้วิหารยุง่งแน่นอนอยู่ในปฏิบัติตราบใดพระอรหันต์จะได้ขาดจากโลกหาไม่ได้อันหนึ่งจะถวายอุปมาบพิษพึงตั้งพระไทยสวนาการอีกมหาอาคิกขันโทกองเพลิงใหญ่ ปัจฉละมาโนโรุ่งเรืองไปด้วยเปลวอันมากมีหนำซ้ำบุคคลทิ้งลงซึ่งใบไม้และโคนไม้แห้งหลายครั้งหลายครามหาราชขอถวายพระพรเพลิงใหญ่นั้นจะรุ่งโรดโชตนาการหรือว่าจะอันตรธานไปเล่าสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าณหิพันเต ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเพลิงนั้นรุ่งเรืองกว่าเก่าที่จะดับอับรัศมีหาไม่ได้พระนาคเซนจึงมีเถระวาจาว่าความนี้มีอุปมาชันใดชินะศาสนังศาสนาของพระพิชิตมานมิ่งมงกุฎโลกเลิศวรังอันประเสริฐโสดชาลติจะรุ่งเรืองไพโรดปรพาเสติ โชตนาการไปไม่ขาดทัศสหัสสมหิโลกธาตุยาในหมื่นโลกธาตุด้วยมารยาทและศีลคุณวัตรปฏิบัติต่างๆนานามหาราชะดูกระบวชิภิพระราชสมพานผู้ประเส ร, ริฐพุทธบุตรตาอันหนึ่งถ้าพระพุทธบุตรทั้งหลายปรนิบัติให้เลิศยิ่งมีความอุตสาหศรัทธา ปัญจหังเคหิสมนาคตาประกอบด้วยองค์ห้าสุทันตาทรมาอินซีเป็นอันดีมิได้ประมาทมีฉันทชาตเกิดรักใคร่ในไตรสิกขาอุตสาหะภาคเพียนพยายามเล่าเรียนไปตั้งใจอยู่ในธรรมสุจริตอันดียังประเวณีและศิลคุณให้บริบูรณ์ไปไม่ประมาทอิทังสัตุสาสนัง อันว่าสัตตุศาสนานี้ก็จะมีทิติการตั้งมั่นอยู่นานไปอาสนโยโลโก โ, โลกจะได้ศูนย์จากพระอ ร, ะหรหันหามิได้มหาราชะขอถวายพระพรกระจกส่องอันผ่องใสบุคคลขัดสีให้ด้วยจุนไม้อันละเอียดขัดสีนั้ น, นเนืองเนืองไปจะผ่องใสไพโรธ หรือว่าจะมีมนตินโทษเป็นประการใดนะบ่พิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ากรุงมีลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอลงการตรัสว่าพันเตข่าแต่พระนาคเศษนผู้ประกอบด้วยปรีชาญาณแต่พื้นกระจกยังพองใสซ้ำขัดสีอีกเล่าก็จะพองใสไพรโรธหาโทษไม่ได้พระนาคเศษนจึงมีเทระวาจาว่าชั้นใดก็ดีชินะสาสนัง ศาสนาของพระชินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าปราศจากราคะกิเลสตัณหาเหตุว่าประจักษ์ด้วยพระอริยมรรคแล้วมิหนำซ้ำพระพุทธบุตรปรนิบัติให้รุ่งเรืองด้วยอาจาระคุณและทุดงคคุณและสันเลคคุณเร่งบอกกล่าวเล่าเรียนภาคเพียนก็จะพิญโยภาวะยิ่งขึ้นไปได้ร้อยเท่าพันทวีเหตุฉนี้ ศาสนาของสมเด็จพระพุทธเจ้าก็นับแต่จะรุ่งเรืองไปอสุญโยโลโก โ, โลกจะได้ศูนย์ไปจากพระอ ร, ะหรหันต์หามิได้เป็นอันขาดอันหนึง่งศาสนาของสมเด็จพระบรมโลกุตมาจานี้ปฏิปติมูลังมีปฏิบัติเป็นมรากเง่าเข้ามูลถ้าปฏิบัติบริบูรณ์ไปตราบใดศาสนาของพระบรมไตรยโล ก, กนาฏศสาสดาจา์ ก็จะทิติการตั้งม่านไปตราบนั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชามีสุนทรพุทธนาถพระราชองค์การถามว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชายานพระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าพระสัทธรรมจะอันตรธานนั้นอย่างไรพระนาคเสนจึงแก้ไขว่ามหาราชดูรานะบพิษผู้ประเสริฐ อันตรธานมีสามประการคืออธิคมอันตรธานประการหนึ่งปฏิบัติอันตรธานประการหนึ่งลิงค์าอันตรทานประการหนึ่งเป็นสามประการดังนี้มหาราชขอถวายพระพรอธิคมอันตรทานนั้นเมื่อพระพุทธบุตรไม่ปฏิบัติแล้วก็ขาดจากมรรคผลอย่างนี้ชื่อว่าอธิคมอันตรธาน และปฏิบัติอันตรธานนั้นเมื่อพระพุทธบุตรไม่ปฏิบัติแล้วสิกขาบทบัญญัติน้อยใหญ่ก็เสื่อมศูนไปอย่างนี้แลเรียกว่าปฏิบัติอันตรธานและลิงค์าอันตรธานนั้นได้แก่ประเวณีนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดกำหนดจนผ้ากาสาน้อยห้อยหูยังมีอยู่ไม่ศูนย์จากประเวณีต่อเมื่อไม่มีตราบใด ประเวณีก็สูญเสื่อมเมื่อ น, นั้นเรียกว่าลิงคาอันตรธานจงทรงทราบ พ, พระยานเถิดขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าเมลินภูมินทราธิบดีได้ทรงฟังก็มีพระทัยเส้นวิมติกังขาจึงมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตค่าแต่พระหน้าเกษณผู้ปรีชาอายังปัญโโหอันว่าปัญหานี้คำพีโล ลึกนักหนาอุตานีกระโตพระผู้เป็นเจ้าวิสัชชาให้ตื้นขึ้นได้ตั้งแต่นี้ไปพวกเดรัจฐีจะบระรับประวาทซอดเข้ามาว่าให้ฟั่นเฟือนอย่างไรไม่ได้แล้วนับแต่ว่าจะลี้ลับอับประภาคไปพระผู้เป็นเจ้านี้ประเสริฐกว่าหมู่คณะทั้งปวงหาใครจะเลิญจะล่วงกล้ามเกินกว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่มีในการบัดนี้ สัทธัมมะอันตรธานะปัญหาเป็นคำรบเจ็ดจบเท่านี้